ดูกระระประนางเขมาเชิญดูร่างกายอันกระสับกระสายให้สะอาดมีสิ่งโสโรครกไหลเข้าถ่ายออกมีพวกผานชนยินดีกันนักท่านจงอบรมจิตให้เป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวด้วยอสุภารมเถิดท่านจงมีกายคตาสติมากไปด้วยความเบื่อหน่ายเถิดรูปหญิงนี้ฉันใด รูปของท่านก็ฉันนั้นรูปของท่านฉันใดรูปญิงนี้ก็ฉันนั้นท่านจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสถ่ิดจงฝึกการพ้นจากเครื่องหมายมั่นจงละความถือตัวเสียท่านจะเป็นผู้สงบเพราะละความถือตัวนั้นได้จากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเปรียบเทียบไว้ ให้เห็นภาพอย่างแจ่มชัดชนิดที่ทุกคนสามารถน้อมาดูใจตัวเองขณะเกิดความกำหนัดยินดีได้เหล่าชนผู้ถูกราคะครอบงำติดกระแสอยู่เหมือนแมงมุมติดใยที่ถักทอไว้เองเมื่อตัดราคะลงเสียหมดความอะไรละก า, ามสุขแล้วจึงเว้นเสียได้สนิท จากนั้นพระพุทธองค์ตรัสเทศอีกเล็กน้อยให้เหมาะสมกับนิสัยและวาสนาพระนางเข ม, มาซึ่งมีจิตอ่อนควรแล้วกอบกับที่มีปัญญามากก็สำเร็จมรรคผลในอริยบุคคลขั้นต้นได้ ตัวอย่างของเขมาเทริยาประธานนี้มีคุณหลายประการประการแรกเราได้เห็นว่ามนุษย์ทั้งหลายในความหลงรูปหลงกรรมคุณกันชนิดติดตังยังไม่อ่อนควรต่อมักผลแน่นอนแม้ว่าสนาดั้งเดิมจะมีปัญญามากเพียงใดก็ตามต้องทําให้เห็นโทษในรูปเชก่อนคลายความถือมั่นในรูปเชก่อน จึงอ่อนควรพอจะฟังทำอันเป็นไปเพื่อละความยึดติดหรือถือมั่นว่ามียตัวตนนั้นเป็นอันดับต่อไปประการที่สองเราได้ทราบว่าเพียงด้วยระดับความคิดเปรียบอสุภาพภายนอกที่น้อขก็ามาเทียบกับสุภาพภายในหากมีกำลังมีแรงมากพอก็ทำให้ราคาหายสนิทเป็นปิดทิ้งไปชั่วครู่ ซึ่งชั่วครู่นั้นอาจเป็นนาทีทองเพียงพิจารณาธรรมะละเอียดกว่านั้นอีกก็อาจส ก, กิจให้ถึงมรรคผลได้นั่นกันคำแนะนำให้ปฏิบัติแบบคิดในขั้นนี้ก็คือถ้ามีโอกาสก็อาจจะเห็นจริงว่าคนแก่เป็นอย่างไรศพมีลักษณะแบบไหนสำหรับศพนั้นถ้าใจไม่ถึง หารูปดูก็ได้สาคัญคือต้องน้อมเข้ามาภายในให้เกิดสังเวทดังพระพุทธพจน์ที่ว่ารูปอื่นฉันใดรูปของเราก็ฉันนั้นรูปของเราฉันใดรูปอื่นก็ฉันนั้นจงคลายความพอใจในกายทั้งภายในภายนอกเสียเถิดเริ่มต้นถ้าไม่ทราบจะน้อมเข้ามาอย่างไรก็ขอให้ดูทีละส่วน เริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังส่วนใดที่รู้สึกสังเวทที่สุดก็ให้ปลงและน้อมส่วนนั้นมาเปรียบ ก, กับเราก่อนสติสัมปชัญญะที่ฝึกมาแล้วจะทําให้รู้เข้ามาในขอบเขตของกายได้ชัดประหนึ่งส่วนนั้นๆของกายเข้ากับกายเราเป็นอันเดียวกันจิตย่อมละความยึดติดอินดีในเชิงราคะเสด็ได้นับจากน้อยไปหามาก เมื่อสงบจากราคะด้วยการคิดเทียบน้อมเข้ามาหากายจนจิตสงบลงแล้วสิ่งสำคัญสูงสุดคือต้องดูความสงบในภายในนั้นเห็นเป็นอาการที่ดับความพร่านจากความอยากทางกายลงเสียได้เมื่อประคองอยู่รู้อยู่ที่ความสงบนั้นในที่สุดก็จะเห็นความเบาโล่งอันมีลักษณะตั้งมั่นแน่นิ่งอย่างน้อยที่สุด ก็ดำรงอยู่ชั่วขณะยิ่งบ่อยก็ยิ่งเป็นการสั่งสมความสงบและกำลังจิตที่จะเอาชนะราคะหยับหยาบทำทุกวันสงบปลอดโปร่งทุกวันเพียงเท่านี้ก็จัดเป็นการทำสมาธิชนิดหนึง่งเป็นสมาธิอันเกิดแต่ความละวางราคะโดยตรงเสียด้วย จินตนาการการคิดจินตนาการคือการนึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าไม่เป็นปัจจุบันผัสส์จุดประสงค์ของการคิดจินตนาการคือการกําจัดราคาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นในสัมปชัญญะบัพปเราได้ฝึกที่จะรู้ความเคลื่อนไหวทางกายทั่วไปหมดแม้การอุจจารปัสวะก็ไม่เว้นการที่เรารู้ ว่ามีอุจจาระปัสสาวะไหลออกมาจากกายบ่อยๆจะทําให้เกิดการตระหนักว่ากายนี้มีอุจจาระปัสสาวะอยู่จริงๆแตกต่างจากการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะด้วยความเคยชินและพลาไปคิดุ้งซานถึงเรื่องอื่นระหว่างนั้นเป็นคนละแบบหากนับแล้วผู้มีสัมปชัญญะขณะขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมเป็นเสมือนผู้พลิกเอากายในออกมาข้างนอก หรือเหมือนผู้พบรูรั่วของหมอนข้างที่กกกอดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าแท้ที่จริงแออัดไปด้วยอึกกับฉี่หาใช่นุ่นหรือสำลีดังความลหลงไหลเข้าใจแต่แรกไม่ในความตระหนักไปเรื่อยๆดังนี้จะถึงจุดหนึ่งอาจบังเกิดความตรหนกขึ้นว่าว่าทั้งกายเราแท้จริงก็เป็นหีบห่อบรรจุอึกกับฉี่อันนั้น จะเป็นคนละเรื่องกับการรู้อยู่แล้วอย่างมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปเพราะพอรู้สึกตัวสำเนีจอถึงความเป็นกายเมื่อใดก็จะจิตตระการเห็นอย่างแจ่มชัดว่ากายของตนขังอะไรไว้เราสามารถนำความทรงจำอันชัดเจนเกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ในคราวที่ดับขันขออภัยค่ะในคราวที่ขับขัน เช่นเมื่ออยู่ใกล้เพศตรงข้ามหรือบุคคลที่เราเกิดความกำหนัดยินดีก็ให้ตั้งสติรู้ว่าขณะนั้นเราเกิดความกำหนัดยินดีเนื่องจากกายของเรารวมทั้งกระแสดึงดูดระหว่างกันอันเกิดแต่ใจที่ส่งไปยึดส่งไปยินดีในความเป็นเขาเมื่อมีสติรู้จักสภาพความกำหนัดยินดีอันเกิดแต่ปัจจุบันรวมทั้งรู้เหตุปัจจัยของการเกิดความยินดีนั้น ก็ให้พลิกจิตกลับมาดูมารู้ชัดอยู่ในขอบเขตของกายจะ ก, กำลังเดินยืนนั่งหรือนอนอยู่ก็ตามทีจากนั้นกำหนดเอาด้วยความหมายรู้แบบที่เคยตระหนอกในความจริงที่ทราบว่ามีอุจจระปัสสวะในเราหรือเอาไว้ให้ชัดกว่านั้นคือระลึกถึงขณะแห่งการขับถ่ายอุจจระปัสสวะเมื่อกำหนดเช่นนี้ยังน้อยที่สุดแห่งความกำนังยินดี ในความใกล้ชิดเพศตรงข้ามย่อมระงับลงคือแทนการส่งจิตออกนอกก็กลับมาภายในและแทนการหมายมั่นยินดีจินตนาการไปในกามรมก็หันเหทิศทางเป็นจินตนาการไปในอสุภะอันเราเคยรู้เห็นดีแล้วบางคนอาจมีตำแหน่งอสุภะประจำตนอยู่อย่างเช่นโพรงจมูกช่องปากลักแล้ หนังหัวอันนับเป็นหน่อเหม็นแนวเหม็นผลิตของหน้าสอิสอเอียนที่นำมาจินตนาการช่วยสถานการณ์คับขันได้ทั้งสิ้นจุดที่ทำให้รู้สึกทุเรศเป็นสากลที่สุดเห็นจะไม่มีอะไรเกินทวานหนักแต่ถ้าใจถึงฝึกพิจารณาครบทุกจุดได้บ่อยๆก็จะทำให้จิตเหมือนตกอยู่ในหลุมขยะสารพัดกลิ่นสารพัดรส ไม่อาจจะเป็นสุขได้ด้วยความรู้สึกทางกายอย่างแน่นอนเมื่อมาถึงจุดนี้ขอให้เน้นความสำคัญกับสภาพจิตที่เป็นพิษต้องพิจารณาว่าจิตและความยินดีในกามเสียได้ตามเป้าประสงค์ตามการทำความเข้าใจไว้แต่แรกแล้วอย่างดีซึ่งเมื่อเห็นกายละ ก, กามของจิตชัดแล้วต้องถอนออกมาจากความหมกมุ่นในอสุภะเสีย รักษาวไว้เฉพาะความปลอดปลงโล่งเบาทางจิตก็จะเกิดอาการตั้งมั่นผ่องใสและตัดขาดจากกระแสะความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งการามได้สนิทติดทนนานคิดถึงปัจจุบันผัสสะบางคนสอบถามแพทย์และพยาบาลแล้วให้นึกสงสัยว่าทำไมผ่าศพเห็นเครื่องในศพอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เหตุไดจึงไม่เกิดอาการปรุงไม่เกิดความหมดอะไรยินดีในกามอันที่จริงคนทั่วไปอึอชีอยู่วันละหลายหลหนแต่ไม่เคยตรหนักว่ามีความสุกบกอยู่ในตัวเองน่าแปลกใจว่าน่าแปลกใจกว่านั้นมากร้อยทั้งร้อยทำเป็นลืมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่แม้กระทั่งทำใจให้ตรหนักว่านั้น มาจากกายของตนตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าการกำจัดความอยากนั้นเป็นอาการทางใจเป็นเรื่องของสติกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าเจอดีมาช้านานกี่เดือนกี่ปีแล้วธรรมดาคนเรารุย่อมจะรู้เห็นและได้กลิ่นปัสสวะอุจจาระของตนเองทุกมเมื่อเช้าวันอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ดีคือไม่ทราบว่าจะต้องทา ใจยอมรับหรือใส่ใจพิจารณาเพื่อประโยชน์อะไรคิดมากให้เป็นทุกข์เปล่ า, ลารังเกียจตัวเองเปล่าเปล่ากายมนุษย์นี้แตะตรงไหนก็เห็นว่าสกปรกตรงนั้นแต่ด้วยความที่ขาดหลักพิจารณาก็ไม่ทำให้อสุภะเป็นที่ปรากฏต่อจิตทั้งที่จริงก็ปรากฏอยู่ทนโทษนับแต่เนื้อหนังภายนอก ไม่ต้องลอกออกดูให้เห็นถึงขั้นในเสียก่อนด้วยซ้ำตามหลักของปฏิกโกณนมามสิการนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่ากิกสุย่อมพิจารณาเห็นกายนี่แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บ ฟันหนังโอกาสของวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเห็นจะไม่มีเวลาใดเกินช่วงแห่งการชำระล้างสะสางร่างกายด้วยเหตุผลคือมนุษย์ต้องรู้ว่าจังหวะนั้นกายของตนเริ่มสกปรกหากปล่อยไว้เกินนั้นก็จะเ น, นรณาลำคาญหรือสกปรกมากกว่าที่เป็น ในห้องที่ชำระล้างคราบไกลปฏิโกณผัสสะของผมขนเล็บฟันหนังย่อมเกิดขึ้นเกือบตลอดเวลาเมื่อเกิดผัสสะย่อมเกิดความรู้สึกส่วนแห่งความสกปรกนั้นตรงกายเพียงถ้ากำหนดจิตไว้ถูกก็จะหมายรู้ได้ทีละน้อยแบบสะสมจนกระทั่งเกิดความเห็นจริงเป็นบริบูรณ์ว่าผมขนเล็บฟันหนังสกปรกไม่น่ารัก ไม่น่าใครจริงๆต่อไปเป็นแนวทางการกำหนดตามลำดับหนึ่งผมในเพศพระจะต้องปรงผมนั้นหนังที่สะแสดงความสกปรกผ่านกลิ่นเหม็นออกมาง่ายกว่าคารวาสแม้จะใช้แชมพูหรือสบู่ก็ช่วยระงับกลิ่นไว้ไม่ได้นานนกัก่อนอื่นเพียงกาหนดไว้ในใจว่าเราต้องสะผมก็เพราะมีน้ามันมีความเหม็น ในความคันขึ้นที่หนังหัวขณะลงแชมพูยีผมให้ทำความรู้สึกที่มือสัมผัสกลุ่มผมไปเรื่อยเมื่อชำระแชมพูออกแล้วด้วยน้ำก็ให้พิจารณาว่าความสกปรกนั้นชั้นนอกหลุดลอกไปความสกปรกชั้นในยังแช่ตัวอยู่พร้อมจะส่งน้ำมันส่งความเหม็นส่งความคันออกมาอยู่เรื่อย พอมากก็ถึงระดับหนึ่งเราก็ต้องเหนื่อยชำระล้างอีกข้อสองขนกิดประจําสำหรับผู้ชายคือกนหนวดสำหรับผู้หญิงก็คือกนขนรักแร้เมื่อกลนออกขอให้พิจารณาว่าขนส่วนนั้นเป็นน้ำแหลมยื่นออกมาจากผิวเนื้อเป็นธรรมชาติที่งอกออกมาได้เรื่อย และเราต้องคอยกำจัดลิปทิ้งไปทันก่อนที่จะรงรั ง, งน่าเกลียดไม่ต่างกับวัชพืชอันไม่พึงประสงค์พวกที่แต่งโนดแต่งเกล้าให้ดูดีก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แต่งวัชพืชให้งามหลอกตาเป็นรูปร่างชั่วคราวเพียงกําหนดรู้ตามจริงว่าเป็นสิ่งที่จะต้องงอกออกมาใหม่เรื่อยๆไม่เจริญตา จิตจะเกิดความหมายรู้ลักษณะไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนขึ้นมาเป็นขนาดแต่เก็บเล็กผสมน้อยระยะยาวก็จะกลายเป็นความรู้ที่คงตัวไปเองข้อสามเล็บขนาดตัดเล็บให้พิจารณาตามจริงว่าเล็บเป็นธรรมชาติที่งอกได้เมื่อลินทิ้งก็ให้ดูว่าเดิมเป็นของในกายเมื่อตัดออกไปแล้วก็กลายเป็นของอื่น แปลกแยกจากกันและเล็บจะแสดงธรรมชาติสกปรกของมันชัดก็มาถูกแบ่งแยกตัดทอนออกจากความเป็นแผนอขออภัยค่ะความเป็นแผ่นเดียวเราคือขนาดตัดเล็บไปเรื่อยๆเราจะได้กลิ่นเหม็นอ่อนๆของเล็บอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัดเล็บคนส่วนใหญ่จะล้างมือก็เพราะมีความสกปรกจากการแบ่งแยกเล็บตกค้างอยู่นั่นเองนี่แสดงให้เห็นว่า ทั่วทั้งกายเราเดิมแปะกสนิทอยู่ก็อาจจะดูเหมือนสะอาดซ่อนความเหมินไว้ต่อเมื่อแบ่งแยกปัดทอนออกจึงปรากฏความสกปรกที่เร้นอยู่นั้นออกมาข้อสฟันขณะแปลงฟันขอให้พิจารณาตามจริงว่ากลิ่นในช่องปากนั้นมาจากเชื้อโรคฟันในช่องปากย่อมอุดมด้วยเชื้อโรค เราจมอยู่กับน้ำลายน้ำเชื้อโรคตลอดวันตลอดคืนเจอกับอาหารซึ่งเป็นซากพืชบ้างศพ บ, บ้างเหมือนเครื่องสั์เนื้อวันหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งมือ้อบางคนสองมื้อบางคนสามมือมม้อหรือมากกว่านั้นที่ฟันจะมาจากไหนถ้าไม่ใช่สิ่งตกค้างจากซากพืชและศพเศษข้อสหนังขนาดอาบน้ำ ทำความสะอาดหน้าตาเนื้อตัวก็ขอให้พิจารณาว่ามือกำลังสัมผัสหนังซึ่งมีหน้าที่ห่อหุ้มอึกและฉี่ตัวของหนังเองก็มีคราบใครที่เราจะต้องชำระสัรสางเมื่อรู้สึกถึงความยุ่นในที่ใดให้ตระหนักว่าตรงนั้นคือส่วนของเลือดเนื้อไขมันและปฏิโกนอันเป็นแหล่งผลิตคราบใครภายใน อย่ามองว่าเรากำลังใช้สบูท่ทาให้ส่วนนั้นหอมสะอาดแต่มองว่ากำลังกำจัดความสกปรกส่วนน้อยที่เล็ดลอดออกมาจากโคดแห่งความสกปรกอันซ่อนตัวอยู่ทั้งแท่งด้านในการกำหนดสติรู้ผิวหนังโดยความเป็นสิ่งห่อหุ้มขยะบ่อยๆจะทำให้เกิดภาพรวมขึ้นเองว่ากายนี้เหมือนถุงใส่อึ โดยไม่ต้องจินตนาการหรือสมมุติหากทุกครั้งที่อาบน้ำสางกายแล้วรู้สึกชัดขึ้นเรื่อยๆว่าความโสโครกแห่งกายนั้นชำระล้างเท่าไรก็ไม่หมดเพราะที่แท้กายก็เป็นความสกปรกทั้งก้อนโดยตัวเองจิตจะเบาจากราคะลงในระยะยาวเมื่อได้รู้สึกเบาโล่งสะอาด จิตไม่หมักหมมอยู่ด้วยความปรารถนาในกามให้รู้อยู่เฉพาะความเบาความโปร่งโล่งชนิดนั้นจนกว่าจิตจะตั้งมั่นพองใสทุกครั้งที่สนานกายจะมีความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไม่ต้องการพึ่งพามายาแห่งเนื้อหนังใดๆอีกและเมื่อใดที่ศพโอกาสจําเป็นจะต้องเหนียวเหนอะเนื้อตัวหรืออย่างเช่นมีศพสัตว์บางชนิดเข้าไปค้าง เข้าไปคากลิ่นอยู่ในปากนานหน่อยก็อย่าเพิ่งร้อนใจคิดแต่อยากจะทําความสะอาดช้าล้างอย่างเดียวให้พิจารณาความหม่นของผมคนเล็บฟันหนังนั้นอยู่ตลอดเวลาก็เพียงเช็ดถูทาความสะอาดช้าไปนิดเดียวเมื่อจุดชนวนขึ้นได้จะเห็นส่วนไหนว่าเป็นปฏิ ก, กูลก่อนก็ตามแม้มองไปในส่วนอื่นก็จะติดความกาหนดหมายตามจริงเช่นนั้นไว้ การมณสิการระดับเจโตสมาธิคำว่าเจโตสมาธินั้นหมายถึงสมาธิทางใจหรือสมาธิตามลักษณะแห่งความเพียนนั้นๆเช่ น, น, นในที่นี้ก็จะหมายเอาความเพีย r เพื่อรู้รายละเอียดแห่งกายอันซ่อนเร้นปิดบังจากสายตาตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นแนวคืออาการ32ดังปรากฏในเนื้อธรรมอันเป็นตัวตั้งของบทนี้ ผนของการมนานสิกการระดับที่เห็นของจริงด้วยความสามารถของสมาธิจิตจะมีผลเด็ดขาดกว่าการเห็นด้วยสติสัมปชัญญะธรรมดามากขอกล่าวไว้แต่ต้นว่าถ้าหากปฏิบัติในระดับสามัญจิตมากพอก็อาจยกระดับขึ้นสู่การปฏิบัติระดับเจโตสมาธิได้เองโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้ความพยายามใดๆเพิ่มเติมทั้งนี้ จากที่ชี้ให้เห็นแล้วว่าเมื่อจิตพิจารณาอสุภะจนปลอดจากราคะมีความตั้งมั่นผองใสเป็นสมาธิดีแล้วก็ย่อมเกิดความรู้เห็นที่เหมาะสมกับคุณภาพจิตได้เองตามธรรมชาติอย่างไรก็ตามสมาธิอันเป็นผลมาจากการพิจารณาแบบคิดนั้นมักจะเอาแน่นอนไม่ค่อยจะได้ในส่วนนี้ของบทเราจะมุ่งเน้นการบรรลุซึ่งเจโตสมาธิ อันเป็นความสามารถเห็นของจริงได้เป็นปกติก็เรียกว่าเลืมตาขึ้นภายในกายเพื่อสอดส่องถ้ำหรือคูหาของจิตอันเคยมืดนิดได้ราวกับมีไฟฉายประจ ม, มือหรือมีสวิตปิดเปิดให้สว่างขึ้นดังใจก่อนอื่นจะได้นำเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนะสมบัติสมายกตั้งไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติปฏิโกณมณสิกาในครั้งพุทธกาลนั้นท่านมุ่งเอาระดับการรู้เห็นชนิดก้าวลวงตาเนื้อสามัญกันจริงๆเพราะกรณีของการเห็นเครื่องในในตนเองและผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นการถกเถียงกันว่าตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถรู้ได้ด้วยจิตหรือเป็นเพียงจินตนาการ ทัศนสมบัติพระสารีบุตกรกล่าวไว้ต่อเบื้องพระพักแห่งพุทธองค์ในสัมปราาทนิยสูตรส่วนที่เกี่ยวกับทัศนสมบัติสี่พอสรุปความโดยย่อว่าบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบหนึ่งเนืองอาศัยความไม่ประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อตั้งมั่นแล้วฝึกปฏิโกณมนสิการบักแล้วได้ผลของการมนสิการจำแนกเป็นสีระดับคือหนึ่งสามารถเห็นอาการ32สองของตนเองได้ข้อสองสามารถเห็นอาการสาสองของตนเองได้กับฉันเห็นกระดูกก้าล่วงเนื้อหนังและเลือดของมนุษย์ผู้อื่นได้ สามสามารถเห็นอาการณามองของตนเองได้กับทั้งเห็นกระดูกก้าล่วงเนื้อหนังและเลือดเนื้อของมนุษย์ผู้อื่นได้และอาจกำหนดรู้กระแสวิญญาณของมนุษย์ทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้และตั้งอยู่ในโลกและตั้งอยู่ในปรลโลกได้เป็นต่างหากจากกันชัดเจนคือรู้ว่าวิญญาณยังอยู่ในร่างหรือออกจากร่างไปอยู่ในภพหน้าแล้ว สีสามารถเห็นอาการ32ของตนเองได้กับทั้งเห็นกระดูกก้าวล่วงเนื้อนหนังและเลือดของมนุษย์ผู้อื่นได้และอาจกำหนดรู้กระแสวิญญาณของมนุษย์ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้และไม่ตั้งอยู่ในปารโลกได้เป็นต่างหากจากกันชัดเจนคือรู้ระดับขอไพรค่ะ คือรู้ความดับไปแห่งวิญญาณพระอระหันต์เมื่อดับ ก, กันแล้วไม่ตั้งอยู่ทั้งในโลกนี้และโลกไหนๆอีกจากความส่วนนี้ของสมปัสสะธนิยสูคัดเพียนเฉพาะทัศนสมาบัติประการที่หนึ่งและประการที่สองมาอ้างถึงเราก็ทราบแน่นอนได้ถึงปฏิกูลมนสิการนั้นมีระดับที่เราสามารถเห็นล่วงเนื้อมนุษย์ได้ทั้งตัวเราเองและผู้อื่น อันจะกระจัดเสียซึ่งตาม ร, ราคาอันเกิดแต่การเห็นเฉพาะเนื้อหนังและรูปกายภายนอกได้ง่ายดายยิ่งอ้างอิงอีกแห่งหนึ่งในธาตุวิพังคสูตรพระสุตตันตปิฎกเล่มที่หกก็ยังมีเนื้อหาที่พระพุทธองค์ตรัสสอนทิสุนามว่าปุกุสาติจะยกมาแสดงเฉพาะการกำหนดรู้ธาตดินได้ดังนี้ดูกระติษุ ก็ปฐวีาธาตุเป็นชนไยคือปฐวีาธาตุภายในก็มีภายนอกก็มีก็ปฐวีาธาตุภายในเป็นชนไยได้แก่สิ่งที่แข่งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไขกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย มันสมองอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้แต่สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่แข็งแข็งกำหนดได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าปัตวีธาตุภายในจากส่วนนี้ขอเน้นเฉพาะที่พระพุทธองค์รับรองว่ากำหนดได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวการกำหนดรูกล้าวล่วงผิวหนังและเนื้อนอกของพระองค์ท่านนั้นไม่ใช่เพียงด้วยการคิดนึก หรือจิตนาการเอาแต่อย่างใดเมื่อพระพุทธเจ้านำปฏิกูลมณสิการบัมาวางไว้ต่อสัมปชัญญบัพแปลว่าโดยศักยภาพของผู้ทำสติสัมปชัญญะมาดีพร้อมแล้วเพียงในหมวดของกายก็เพียงพอสำหรับการทำศาสนสมบัติให้เกิดซึ่งก็จะมาดูกันต่อไปว่าเป็นได้อย่างไรในทางปฏิบัติจริง ปัจจัยที่เกื้อกูลต่อการรู้แสงและเห็นรูปปัจจัยที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้ประกันว่าจะทำให้เกิดแสงโอภาสพร้อมการรู้รูปแต่เรียกได้ว่าเป็นการเบิกทางหลักซึ่งดำเนินจิตต่ออีกนิดหน่อยก็พอจะเข้าถึงความเห็นอันก้าวล่วงประสาตตาเนื้อสามัญกันได้การพิจารณาอาการ32สองในระดับนึกคิด บ, บ่อย เมื่อกล ค, ความคิดพลานรู้จักประคองความปลอดโปร่งไว้ให้เกิดความหยุดนิ่งตั้งมัน่นมีสติเห็นลมหายใจชัดจากภายในสามารถสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างลมหายใจและความเปลี่ยนแปลงทางกายเช่นอาการขยับขึ้นลงของหน้าท้องความสงบไม่ไหวติงทั่วพร้อมขณะลมหายใจหยุดความราบรื่นไม่อึดอัดตลอดลมหายใจ และลมหายใจออกและลมหายใจเข้าในขั้นเริ่มต้นของขอแนะนำว่าให้นั่งสมาธิเดินจมกรมตามปกติกระทั่งเกิดความนิ่งภายในและแน่ใจว่าสติตั้งเป็นปกติอยู่ในขอบเขตของกายจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั่วพร้อมครอบคลุมก็แล้วแต่จากนั้นให้ลงนอนราบตามปกติวิสัยที่เคยชินมา ควรจะเป็นการนอนงายหายใจสะดวกไม่มีความเกรงไม่มีความจําเป็นจะต้องตั้งใจมากนักเพราะมีสติรู้ตัวติดมาจากการนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่แล้วเรียกว่านอนด้วยความรู้สึกสบายผ่อนคลายโดยประคองรักษาสติเดิมไว้ไม่ให้เคลื่อนเป็นฟุ้งซ่านมากเท่านั้นความคิดในหัวจะยังมีอยู่ หรือกระทั่งรบกวนอยู่เป็นบางครั้งบางช่วงสังเกตจับไว้เฉพาะสติรู้องค์ขาพยพแห่งกายเท่าที่ปรากฏชัดเป็นพอให้หายใจเข้าออกด้วยความรู้สึกสัมพันธ์กับกายอย่างง่ายที่สุดเช่นเมื่อหายใจเข้าท้องพองเมื่อลูกโป่งที่อัดแกส๊สเมื่อหายใจออกท้องยุบเหมือนลูกโป่งที่ปล่อยลม สมมติให้เหมือนอะไรก็ได้ในมโนทัศน์อันเป็นอัตโนมัติของเราเองขอเพียงถอยห่างออกมาให้รู้สึกว่าเป็นกายเราเป็นกายมนุษย์รูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้อย่าคิดคำบริกรรมใดๆกำกับการเห็นนั้นๆเพื่อเปิดโอกาสให้สติทำหน้าที่รู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกายเต็มเม็ดเต็มหน่อยจากนั้นตั้งความสังเกตและดำเนินจิตตามลําดับ กานี้